ธรรมชาดกแผ่นที่10ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่26มิถุนายน2556มีชื่อเรื่องว่าลูกสะพ้าหยทองคำฟังเพลงแล้วก็แล้วฟังร่ำแล้วก็แล้ว บัฟังเทศหลวงปู่อินมนุบัติเนี่ยฟั ง, งฟังเทศหลวงปู่อินมีแนวเลยมีแน่วความคิดใน ล, ลายอย่างเป็นแนวความคิดอยู่ในเอ็พสามบันทึกความทรงจําของข้าพาเจ้านี่มีในท่านลูกสถอะไพกับเมยียเมียาปัดใจกว้างลุกเถอะไพ่ไี่ทีเอาไปเอาผ้าก็เลย เหตุอย่างไรอยู่รํากันบ่อใดแล้วคนกี่ทีคนใจแย่อยู่เปนบอกล่ะต่ำเขามากบ่อใดกึกวานให้ไกลให้เออคนมากขอกับขอให้ก็ะหายแบงให้คนทุกคนยากยนะมงเขาซุกแลยกัแบงให้หมูม า, าาหาาหมากาไก่กินน้ำง่ายภกผู้เฒ่าก็เหตุมากจังเลยตั้งแต่ใดแต่ไรตั้งแต่ยังบ่ท่านมีลูกสะใภ้ผู้เฒ่าก็เหตุจังจันไปว่าถ้ามีหลูกสะใภ้มาที่จะมา จำกัดสิทธิมนุษย์ชนมันก็บรัยแล้วมันบ่นละคนใจแญ่กับคนขี่ทีเนียมันบกเขากันบวไรเด้เนีบาลทนี่กงเขากันก็ บ, บรัยบาลนี่แม่ยากับลูกสะใภ้แต่แม่ยากับคนกับบวานี่นะว่าเพเพื่นเป็นผู้ใหญ่แต่ลูกสะใภ้เนี่ยตีเครียดเขา่าเครียดเขา่าเอาไปมากกัวดปล้นทนุนบวไรกับอกกับผัวเจ้าของเท่าไหร่ เนีบอกกาแฟหน้อยต่ไปเออยอดทีรักปวดหัวเด้อเออจะเอาพี่ได้จะเอาแม่ปวดหัวเด้เออจะเอาพี่ได้จะเอาแม่ปวดหัวเด้ยอดทีรักปวดหัวไอ้ทั้งยอดทีรักมันก็งงตึกเล็วลงไปขั้นเสียวแม่ก็แม่กับเ่าไปแห้งนะเออมันก็บอกว่าวายเอาก็บอกเอาไผ่แล้วเอายอดทีรักเนี่ยปวดหัวเด้ ผ, ผู้แฟนเปิมนมันเาไปเอาไปมากที่เฮ็ดยัยงไรรหนเสนาอาจารย์นี่ยทังผู้ผัวทำที่เฮ็ดยังไหนยาไอ้ข่อยู่นี่จะไปยากยั้งหมดเลยเนี่ยว่างแผนแบตข้าวเดียวเท่านั้นแล้วที่เฮ็ดยัยงไหนเนี่ยนเลยเสือมาอยู่นอกรอบบ้านนี่ยเสือโค้งมันหา ก, กินง่ว ก, กินควายมันเสือหลายได้สมัยก่อนเข้าก็ทําทาส้วนแมยาไป หาเก็บพักหาเก็บเนาะใหม่ใช่กันไปหอดตีนผู้กับมัดอแม่ยามัดแม่ยาใช้ต้นไหม่ให้กันแล้วตัวอาจารย์เนี่ยคนลมัดให้เสือกินจชกันแล้วตัวอาจารยเนีทั้งผู้ชายทั้งแฟนพังโอแมนแมนว่าอาจารย์เนี่ยบาร์ฮกับมือดีขึ้นดีมากกับแม่แม่ไปหาเก็บพักเนาะวันอาจไปหาเก็บพักหวานไปหาเก็บเนาะไหม่ไปหาเก็บ เฮ็ดเนาะสินทั้งผู้เทาก็เคยปลาอยู่แล้วเนะ่อยไปก็ไปตัวผู้เทาวะดีแล้วสินดีอกดีใจอีกตั้งหากว่าลูกสะไบเขาลูกไส้ส่วนจะของไปที่แท่เขาจะไปมัดให้เสือกินวนออกไปว่าอะไรก็ส้วนไปไปเนี่ยเขาก็กไปมัดแล้วบาทเนี่มัดส่วนเข้าไปในปลาเนี่ลืกดแล้วสินลูกสะไบก็บจับกับลูกไส้กขามัดใส่ต้นหม่ใส่มัดที่ต้นเสาหรือมัดไผหลังมัดใส่ทั้งหลัง ลังแอนแทแ่แล้วอะไรเราไปเอาไปมากกับมัดตาไ้อีกพอมัดตา ไ, ไปบ้านนีสองผัวเมียมกับเฝ้ากับานดบ้านเนี่พุเทเาก็ยืนย่นย่หันแล้วเาไปพอยืนย่หันโตคำมาบนเสือมาใจแล้วบเนี่เมาเมาวูมันเสือมันออกหากินเนย่กแกล้งลมันเา่าไปยืนย่่หันแล้วเาไป เอาไปมาดเสือมันก็คือกินข้นเนี่ยหดเลยดมฝูดฝาดฟูดฟาดมันถือกินข้นอยู่ในทินนั่นเรไปมันก็ปีเขามาแล้วไปปีเขามาลุกลุกขะเทียวดาพุ่มมาเทียวดารักษาปลานี่ยรักษาปลาดงพงไผ่เพิ่นเห็นเหตุการณ์นั่นเราไปมาลูกสะไพกับลุกไส้มัดย่าิเ่าเนี่ยใส่ต้นไม้ไว้เนีเสือกินเนี่ยเทวดาก็โดดมาหามเสือนี่ยยศเสือเนี่ย อย่าเขามากินนะเมึ่เขาว่ากินคนมีศีลมีถ้ำเลยเมึ่อตายจากซาตนี่แล้วมึงอตกนรกออกจากนรกแต่เม่ได้เกิดมาเป็นได้ดีได้ดีดดดเลยนะเพราะกินคนดีมึ่อต้องฟังกูก่อนนะสัมยศสั่เนเลยเดี๋ยวกูจะทดสอบสัก่อนเอี่ยเมื่อจะคอยกินที่หลังกันมึ่อกินคนดีนบ่ได้นะแต่กินคนสัวบ่เป็นยังหรอกกูให้กินสั่นเลยเทวดาวาเทวดาพวกเขาขังคนสัวเขื่อนเลย ต้องเข่าขางคนดีอ well, ่อยไปนหนึ่งเที่ยวดามากไปหาคนปีกไก่ป้านี่ไปหาคนปีกไก่ป้านี่ที่มันลนเ่ไปฝใดมากาก็ดอมากขึ้นแง่ขอดังแง่เถ่าเอา่อยินพอแง่ขอดังแง่เถ่าแง่เถ่ากัจามันต้อนแง่แง่คนไก่ขอดังมันก็ต้องจามันเหัดช่ยพุทโธธรมโมสังโฆเถาวะแง่ขาอีกหัดช่ยพุทโธธรรมโมสังโฆ แย่ถึงสามเถ้าไโอ้เ่านี่เป็นคนหายใจเขา่าหายใจออกแล้วลึกถึงคุณง่ามความดีแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตัวนี้เป็นสาสนาโอ้บอ่อได้เสือเมึ่อยะกินนะเมื่อจะกินเ่าเนี่บอ่อได้แล้วเมึ่อตายไป็นตกนรกออกจากนรกมรรมาเกิดเป็นขู่เป็นค้นแล้วไปเมึ่อยาจะกิ น, สนเสือตรังได้ไปหา ก, กินทั้งอื่นหมดไปพูดเ่ากันน้อนอยืนอยู่หันแล้ว พ่อมากเที่ยวดาแล้วมาแก้เสื้อไทยพ่อแก้เสื้อไทยวันนี้เท่าก็ลมพอเละพอแหล่ล่องหันวันไปพราะลมลงไปแล้วพอดีเท่าก็นอนรับเลแล้วมันเมยเด้เออนอนรับเลยตื่นมือเศร้ามากวันนี้เห็นไหท่องอยู่ในปลายตีนผู้เท่าเดินไปเห็นไหท่องเท่าตื่นขึ้นมาไม่ไปเหลียวผุนเหลียวพี่พอเห็นไปเที่ยวดาจะเอาไหท่องมาหเหเนเล่ามั่งไงให้ข้ามาั่งเลยเท่าก็เลยเอาผ้าขามาเปย หายท่องใส่ใส่ล้างเลก็กูบไปเดาแ่ไปหาลูกไส่กับลูกสะใภ้กันไปอีกมันจะขากูอีกก็จะเนี้มันขากูขักๆก็จะนี้เท่ากูจะไปหายาดผู้ไก่ๆพุ่นแล้วก็จะเนี้การมันอยู่น่ายุ่งจะไปพุ่นแล้วเราไปไปว่างซ้หอศีธาตุของเราเราไปไปเห็นมันไก่ๆแล้วเรือไปแต่จะมัดกินมัดอายคนน่ะบาดท้าไปแล้วบาดเนี้ยเท่าก็ไป บางหาท่องพระเถรวุฒากรเอามาขายให้น้ำามาขายที่ไรสินซองสินกับปคนกับป้าไปขายใล้านท่องล้านท่องกับสื่อเป็นท่องอิริยวนันไปเท่าก็รลุยขึ้นมากวะเน่ยเท่าลุยขึ้นมาก็ากมก่สร้างบ้านสร้างเงื่อนสร้างฐานะกับลูกหลานกุมนั่นหบ่คิดถึงลูกเจ้าของเลยวอนนัไปบ้านนั้นเนี่ก็เลยเท่าก็เล ย, เ, ลยเสียงระบือระเบือทั่วไปทุกแห่งหนะ ของกรย่าเนี่ยเนี่ยมาจากแถวโนวนหรมาจากอำเภอหน้ายุ่งเน่ะมาตั้งรักตั้งฐานเนี่ยเยมันขายท่องโอ้ลุ้ยสางบานสางขึอนสื่อให้สื่อหน้ารุยได้เท่านี้เถอะเนี่ยทางลูกสะพายกับลูกใช่ผมเอ้มะมาแมนแม่เข้าผมเ่อพลวเยไปซองๆม ง, งหน้าะะนี่นทางนี้ก็เลยดม ด, ม, ดอมม่องม่องไปบวกกาไปตรงๆนะวะดมดมม่องอ ม, มองไปเออแมนอิลี่วะเนี่ยแม่ของเข้าอิลี่วะเนี่น ก็เมื่อสืบประวัติมันเป็นยางยังลวยเนละเขาก็าบอกให้ฟังว่าเอ่อเถาเนี่ยบอกว่าลูกมัดเถาไว้ในปลาปูเถ า, าก็เลยได้ให้เงินให้ท่องมากก็เลยกว่าเนี่ยมาตั้งฐานะอยู่พี่ะท่านทางลูกสะพย่ยบางขี่โรคอยู่แล้วเฮ้เป็นบ่อละคือขี่โลบอยู่แล้วลงไปโอ้ยยอดที่หลักเปิดมาต้นไม้ต้นไหนคือที่เป็นต้นไม้รุ่ยเปิดมาต้นไม้เทวดาเอาขอยไปมัดใส่แหนเลยโดยข่อยเดี๋ดยวห้องจีลุย่ยต้องกั้นพนพัวได้ เออเดี๋ยวห้องสีลวยน้ากันใช่ไหะทั้งผู้ผัวกับจากลวยอยู่แล้วเอาไปหมุบมับเออแมนอิลีเข้าคนวันไ้เอาไปมากก็เลยไปมัดช่วนกันไปเราไปไปก็ไปห่อต้นไม้ต้นเก้าแล้วเอาเไปไปห่อเลยกับมัดแื่คือตัวเองมัดไซเมียร์เอานไปมัดไผ่หลังใช่เกัเอาผ้ามัดตาไปบ้านที่ผู้ผัวกับก้าบบ้านแล้วนะพ่อกลับบ้านเลยพ่อโต๊ะไก่ทํามากเสือมันก็ห้องเยาวานะว่ามันออกหากลิ่นได้เสือยังจะดง เมาบ่มเมาบุ่มยางไปยางมากถือกินข้นมันก็นปีเขามาลูกค้าเที่ยวดาก็ห า, าห้ามไว้คื่เก่าเนี่ยวะยานะเสื อ, นะ เ, อเดี๋ยวกูทดสอบมึงอีกก่อนคันทว่าคนมีศีลมีธรรมมึงกินอะไรนะการข้นผมมีศีนมีธรร ม, ม, มเอ่มีแต่ขีโลบขีโกดขีลงกูเห็นมึงกินโหลดสินะค้นชัวสินะปานี้ก็เที่ยวดาก็หาข น, น, นปีไกลป้านะวา มา ก, มากาา็มาแย่พอหลังพวอเข้าน้องๆนกลับไปถึงบ้านน้องแย่มันชีจามบอลลงไปเทวดาเขาแย่แต่ไม่จามเลยแย่ๆเขาจมูกคนออกไปพอแย่เขาจะบกมันก็ฮัดช่ยคือเก่าลงไปหาเงินให้ท่องยุสายฝุ่นวัวเลยมันบวมันบวมว่าพุดโทธสมุตสังคโฆคือเมียยาได้หมดลไปไปเลยเพราะมันคือว่ามีแต่ให้เงินให้ท่องหาเงินให้ท่องให้เงินให้ท่องอยู่ตลอดลนไปอหัดช่วยสันห้เงินให้ท่องยุสายฝุ่นวัวเลย เอาไปว่าหัดเชื่อสองสามถือไปเทียวดาโออีนี่ว่าจะบอได้เราก็จะเอี่มันมีแต่ขีโรบว่าจะเนี่มันมีแต่อยากได้แตพ่อมันจะขาแมยามันแม้ว่าจะเนี่ยเทวดาว่ะแต่พ่อมันยังเอามาแม่ยามันมาหมัดใส่ต้นไม้ละแม้ว่าจะเนี่เอ้าเทียวดาก็เลยหยางออกไปเอาเชื้อเมื่อยากกินเลยว่าจะเนี่กินคนซัวโบไปหยางดอกบอบับว่าจะเนี่เชื้อมากระโดดเขามากับกัดข้อเลยแล้วเลยที่มม่เคยกินเลย กินเมื่อข้นมาเติมไปพอกินแล้วบานนี่ทั้งผู้ผัวคนอยู่บา้านเอเป็นอย่างเมียห่อยังบอกเอาหายเงินให้ท่องมานออจะได้ผลว่ะ ม, มือหนหแล้วก็แล้วมื่นสองก็แล้วพอหอดมื่นสามปะคึ้นอดเมีย ห, หนึ่งไปเบิง้งอ้าพอไปเบิง้งเห็นแต่กะโหลกกับกระดูกซีคางอะไรกองอายะอยู่แถวนันมาเติมไปเสือกิ่นมาเติมไปเสือกิ น, น, นเนมียเ จ, จ้าของ หายท้องกรบบไายเมียก็เสียอีกตั้งหาคนออกไปอีด้างน่ยก็เลยตายซ้ำหมดเลยไปแต่และนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าว่าคนดีแล้วตกน้ำก็ะบไหลตกไฟก็บรใหม่ไปอยู่สไสไผก็หักไปหาเทวดาเทวดาก็หักการหาว่าคนสัวร์เลยไปไสไผ่โบหักดอกมีตะเกียบมีตะชั่งพ่อไปหอดเลยเนี่ยเมืองนู้นเน่ยมันสิมาดเอารัดเอาเปียกพอได้เนี่ย เนีมันถือว่าป่นมักพดมากโกงเขาได้เนี่นี่แหละคนชัวไปใส่ไผก็บรหักสถนออกไปที่บดาก็บรซอยเพราะนั้นพ้นว่าให้สั่งคุณง่ามคว่มดีไปได้ยับจะไปเห็นยับเป็นคนชัวคนว่านี่แหละนีท่านเรื่องนี่สอนให้ว่าสอนให้คนเป็นคนดีมันออกไปนี่ท่านในธรามบดก็มีด้นี่ยอย่างลงพองเคยเเวอพอแม่พอแม่ตายยังแต่พอพอแต่เงินมาล้าน เงินสิบล้านมาลไปลูกไส่เป็นมีเก่าข้นแบ่งให้แบ่งให้คนละล้านละล้านกันเก้าล้านไวพอเอาไว้พอเอาไว้ล้านหนึงไว้กูเอาไว้ล้านนึงเนอะในเก้าล้านในีสู้ทามาค้าขายเท่าพอลูกไส่อยากแบ่งพอตางคนก็บตังมีครอบขัวบ้านนี้ก็เลยแบ่งให้ผู้ละล้านละลานได้เก้าล้านผู้พ่อก็เก็บไว้ล้านหนึ่งต่อมาลูกสะพ้ยอยากได้เงินอีกเฮ้ยพอปูเก็บไปหยัง ออกมากแบ่งกันอีกซะเพื่อจะได้ทํามากค่าขายเงินมันยังขาดขาดอยู่สิลูกสะพายมันเห็นเงินก่อนยังพอปู่ยังอยู่เ้ยลานนึดหน่อยไปขอเอกก่อนไปลูกไส้ไปขออีกพวกขอหลูดพอก็เลยเอาให้พูละแสนพูละแสนไปยังยังอีกยังแสนหลาบาทเล ย, เ, ยเอาไปมาลูกสะพายมานันก็ ย, ยุให้ผัวขออกีกเอาขออีกพูได้หมือนมาเนี่ยพอลงเืินกัน ได้อีกประเด็นชาวอะไยังอยู้เมื่อเดิมมันออแต่สะขอพลผลิตอีกยังโบท่านหัวอันนี้วันทําไปบ้านนี้ขอพลลอยยังพรท่านหัวทําไปยังเหลือเงินยูหน่อยเดียวปะเนี้ยผู้เทาก็อยู่เลียงซีพนทําไปเอาไปมาไปอยู่กับลูกไผ่ผู้ใหญ่ลูกไผ่ผู้ใหญ่กับบ่าวได้บาทนี้พอปูน่ะบาดหาแบงมรดรให้ท้อกันมัด บ้าแล้วโบาจักบ้านผู้อื่นมาอยู่แต่บ้านเฮาทังผู้ทอแต่งี้เลยก็คว้างหูเราลงไปกูแ <S <S <S <S สแดงว่าเขามาจากไหนกูยู้นี่ว่าจะไห น, นไปหนีเดินกูไปอยู่บ้านบักสองอีกคนหนึไปบักตีร่องลงมาไอ้เมียบักสองก็ยู้ดนดูดูไปได้เพิ่งปัดเบาเฮียกคนหนึ่งไปโอ้บ่ดบไอบบอด้ไปบักบ้านบักสามคนหนึ่ไปไล่ลงมาจนหอดปักเก่านหนไปบักสุดท้าย เมียมันก็นยังเมาคือเก่าเลยเออกูบอกอยู่น้ำหัวซูเราแต่เนะ่ยกูสิหากินด้วยด้วยตนเองกูหาขอกินหาขอท่านกินดีกว่าแนตะ่เน่ยเทาวะบานและแถวเทาก็เลยได้หม้อโร่ห้างหน่วยหนึ่งจะกลับไม่เท่าเลยหาขอกินอยู่แลนะ้วบาดไปหาบ้านนั่นไปหาบ้านนี้ขอกินวันะนั้นไปดำร่งจีบไปกัขมุกขม่อมเต็มท้นวันนั้นไป เนีเสือกระผาดพากับขาดไอ้อาบน้ําอาบทานมาต้องเบาแหละเนี่าในมือหนึ่งย่างไปผ่านบัดปาเฉดตะวันมหาวิหารโอ้สมณะโคดมพุทธเจ้าเนี่ยคือสิมีของหาอยู่ละมั่งเพิ่มเพิ่มมีเมตตาเพิ่มคงจะมีของหาของเสียของเหลือคงจะมีอยู่มากนะเขาไปกราบพระพุทธเจ้าก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเห็นแล้วเออผ้ามผู้นีเนี่ ที่ได้สำเร็จพระสูดาบัตในต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนเขาก่อนบ้านเพี่ยก็เลยเอ่ยพามมากเนี่ยามมากกัมาฟังเทศพระพุทธเจ้าพามไปยังไงมาจังไรพามก็เลยบอกให้ฟังว่าไปเนี่ยพามบอกให้ฟังโอ้ยขาพวกองค์ตะกอนกับเป็นคนมีอันติกินอยู่รั่วอยู่ต่อมากก็เลยเป็นสั้นๆเล่าให้เพื่อนฟังคนบอกเออพามไปยังไเดี๋ยวห่อสิตให้ค่าถา ก้าวศูนย์ทรพ์พิดเลี้ยนดใดบ่ห้ไปก้าวในเวลาไปฮอดเอินลูกใช่มากเอินลูกสะพ้ยมากหลานมากพี่น้องมากอยู่สระลากลางบ้านแล้วห้ยพามยืนยืนอยู่สระลากลางบ้านแล้วก็มีไม่เท่ามีไม่เท่าพอ ม, มีหมอโรคพอมพ่ายหลัง่่่่่่่้า่่่่า่่้่่่แบบนี่นะ่่่ เออเวลาเกาถึง size ไม่เท่าเออแบบบอยละผู้ใดละวันออกไปเออเกาวแบบเออแบบเด็ดเดียวเฮ็ดถึงสี่ใดบ่พลาดมาวันได้ครับเออเอาไปพระพุทธเจ้าก็สอนคาถาให้แเราลงไปคาถาศุนทรพจน์วันไปมาไปหอดเออพอออกจากพระพุทธเจ้าก็ไปแล้วไปหอดบั่นเอ้ยลูกเต้าเล้าล้านเอ้ยปู ตาบดไอ้มาหาชูเจ้าน้านผู้ใดอยากมาฟังมาพกอกว่ามาเนอะเดลศิวะยังให้ฟังพวกนั่งกันล้มม า, าเห็นเท่าไปหลายปีหลายเดือนเลยพอเห็นเท่าผู้เท่าก็มามาพอดอ้อาวผู้ใดอยากฟังบอกเดลศิวะกาวสุวทนทรพละให้ฟังเขาก็ฟังวะไรอ่างเงี้ลูกหลานทอะไรแต่อยากฟังอยากฟังเท่ากาวข้าถท่า ข่าวตะ ก, กาวศูนย์ทรพย์บดบ้านเราเทาก็ตื่นให้กลังจาไ ม, ไ, ม ไ, มไม่เไม่เไมไมเท่าเขาคำไปทางหนาวไปผู้เทาเก็บอกว่าฟังน ะ, ะเนี่ยแล้วเราจะกล่าวศูนย์ทรพย์ดให้ฟังเลี้ยงบุตรสุดที่จะลำบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมาย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 ข้ามไปหอดแต่นี่แหละเวลาวาปใสยไม่ทอพ่อมันเล อ, อ, อ, อ, อ, อเลี้ยงบุตรสุดที่จะลาบากไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจใหม่คุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ทำกายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพานสัตว์ร้ายจะวายบุ่นเอาไม้เท้าปัดปัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลย อ๋อพอวอตะเดนลูกไส้ทุ่งนั่นก็ลอกผมลอกหอย่านบอกว่าเออแมนอีหลีเ อ, อพอเลี่ยงเข้ามาด้วยความยากลําบากบัรรเทาประเด็นยีละประเด็นดูแลพอแม่เลยทํำให้เพิ่นตุกระต่าลําบากเงิ่นเพิ่นกะ็ะหฮผุละแสนผุละล้านอผุละแสนอผุละล้านแล้วเข้ายัางปล่อยปาน ล, ละเลยเพิ่นถิ่มอยู่เนี่ย บ่เป็นถ้ำยางยิงเอาพอตั้งแต่นี้ต่อไปผมเองพี่น้องเข้าขนบ่เลี้ยงผมสิเลี้ยงฝนว่มมาอะไรต่อมากเอาผมคือสิเลี้ยงเอาไปมากก็เลยมาล่มมาตุ่มมาจะไปพูดบอ่อให้ผู้เท่าไปไซบันี้ดูแลยอย่างเด้กันออกไปเพราะได้ฟังที่พระพุทธเจ้าเด้ลูกตั้งเข้าขนสูงไม่เท่าบอ่อใดกันออกไปไม่เท่าผู้เท่ายังจิล้มอ่ะยังจะขำผู้เท่าไว้ได้หมาสีมา ก, กัดยังไม่เท่า ไล่หมากระไรมั่วควายหรือมาชนเอาไม้เท้าไล่ก็ได้บาดฮาลูกตั้งเกาข้นนี่ยเลี่ยงขึ้นมาเนี่ยหาผู้สืดูแลผู้เฒ่าบ่ไใดมันไปนี่มันแมนความปู้เฒ่าเด้ยมันเป็นขักกาวที่พระพุทธเจ้าพันสอนไว้ได้บานีปากจากนั้นเขาก็เลยดูแลเพลินยางดีอย่างดีเอ้ที่เข้าได้รับความสะดวกสบายขึ้นมากข้าวนี่กระเพราะท้ำค้ำสอนของพระพุทธเจ้าเพันหายเกา ท่าถาแล้วกาวศูนย์ทอดลนพดใหแก่พวกลูกหลานได้ฟัง เ, เมื่อเข้าได้ดิบได้ดีแล้วก็เข้ากับไปกัวรจะให้พวกนี้ได้ฟังถ้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยบอกลูกออพอเ อ, อได้ไปกราบพระพุทธเจ้าเนาะเพิรนเทศดีเพิรนสอนดีได้ลูกเลยให้พวกเข้าไปหาเพิร์นนะในม่วนเพิรนมั่นฉันในบ้า น, นเข้าก็ดีเท่ากันเ น, นะลูกตังเก้าคนได้ทําบุญทําท่านกับเพิรนดีวะ ทางดุกโอ้ดีพอว่จาจะนึกเอาจังสงนันละขอเาเลยเขาก็เลยไปในมน่พอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้า ก, ก า, พพาก็เลยม่ฉันพร้อมกับพระสงฆ์พอสงพระพุทธเจ้าก็เลยเทศให้ฟังเทศให้ฟังพร่มก็ได้สําเร็จพระสูดาบันเลยพร่มผู้เทาจากนั้นลูกชายก็ได้สําเร็จพระสูดาบันลูกสะพ้ก็ได้สําเร็จพระสูดาบันตระกูลนั้นเนื้อเป็นตระกูล ส, สัมมาทิฏนฐะิขึม่าเลยวันอไปนี่แหละพระพุทธเจ้าพวังเอือกิเลส ของคนเฮานี่กิเลสความโลภกิเกศกิเลสความโกรธความหลงเน่ยมันปิดบังจิตใจของเฮานี่หมืดม่นอนท ก, กาบโบหุจักดีโบหุจักชัวมิตโรโลภมิตร อ, อยากอยากอยากสิ่งควรบุข่วรบูหูุจักเพ้ยนไนนเมื่อได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศน์เนีฟังเฮ้ยบุญยังสันนะขุดยังสีนะโทนนะษยังสันนะควรคิดจังสันนะควรพูดจังสันนะควรทําจังสีนะหลูกหลานนะจึงจะเจริญจึงจะลมเย็นเป็นสุข ถ้าว่าเข้าคิดดีพูดดีต้องไปพ่ายภาคหนาลูกหลานเกิดใหม่ไงที่หลังเขาก็จด้เดินตามหลังของเข้าไปเรื่อยๆตัวเข้าเป็นตัวอย่างของเขาอยากจะให้ลูกหลานเข้าดีเข้าตองดีงตด้อ ง, งทําดีให้ลูกหลานเข้าดูอทหาว่าอยากจะให้บริวารเข้าดีเข้ากับตองทําดีให้บริวารเข้าเบิงยังสั้นและอันนี้คือถําคำสอนนะตัวเข้าฟังไวปนะนําไป การพวเข้าฟั่งเป็นนิท่านมันจําได้ดีได้ลงพอวะ่ะกันบอกเป็นคำค้ำค้ำค้ำไ ป, ม, ม, ม, ม, ม, ไปมันจำบกคอยได้กันฟั่งเป็นนิท่านจริีๆพวกเข้าจําไดวออ้วันนี้เป็นวัน ว, วิสาขาบูชาวันนี้ตรงกับวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมพุทธศักราช255พบสี่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 อันนี้ว่าจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ที่ยินได้ฟังมานั้นด้วยปัญญาของเรากันกรองอีกทีนึง่งเนี่ยภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งสก่อนแล้วทําจิตใจให้เป็นสมาธิสก่อนแล้วจะมากันกรองด้วยปัญญาด้วยเหตุและผลเมื่อเราได้ยินได้ฟังมานั้นถูกต้องไหมเป็นธรรมไหม อันนี้เราบอกภาวนามยปัญญานีใ น, นหลักของพุทธศาสนามีหลายขั้นตอนนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าปุบปับขึ้นมาจะรู้มัหมดหมดทุกอย่างรู้ผิดรู้ถูกบางทีรู้ไม่จริงก็พูดเ อ, อจะเ ป, ปะจะปานินทากาเลไปเรื่อยอันนั้นบาปบาปอคุศโสจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนให้รู้ศึกษาให้รู้เนี่แหละหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าอาศัยการได้ยินได้ฟัง